ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีไร่ข้าวโพดนยอยู่ไร่หนึ่งนะข้าวโพดนี่เจริญงอกงามดีมากตเร็วฝักข้าวโพดก็ใหญ่แล้วก็รสชาติก็ดีด้วยขายก็ได้ราคาข้าวโพดพันนี้เนี่ยเจ้าของเอาไปประกวดก็ได้ที่หนึ่งนะระดับชาตินะ ติดต่อมาหลายปีธรรมดาคนที่มีข้อพดพันธุ์ดีแบบนี้เนี่ยก็มักจะหวงแหนนะไม่ค่อยอยากจะแจกจ่ายให้ใครแต่เจ้าของไร่ก็โพดแห่งนี้เนี่ยจะแจกให้กับไร่ข้างเคียงใครอยากได้มาเอาไปเลยนะไม่คิดเงินด้วยทำอย่างนี้อยู่หลายปี จนกระทังวันหนึ่งก็มีคนสงสัยไปถามว่าทําไมไปถามเจ้าของไร่เนี่ยแห่งนี้ว่าทําไมเนี่ยจึงไม่ไม่หวงพัน์ข้าวโพดของตัวเลยแกก็บอกอธิบายของว่าข้าวโพดเนี่ยนะมันเป็นพืชผสมข้ามหมายความว่าต้องอาศัยลองเกสอนตัวผู้จากต้นหนึ่งมาผสมกับอ เกษรตัวเมียอีกต้นหนึ่งถ้าว่าเกศรมันมาจากพันธุ์ที่ไม่ดีนะผลที่เกิดขึ้นก็คือข้าวโพดเนี่ยมันก็จะกลายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ดีแค่ไหนถ้าเจอลองเกอรจากต้นที่เป็นพันธุ์แย่ๆเนี่ยเกรดต่ำเนี่ยสุดท้ายเนี่ยข้าโพดมันก็กลายพันธุ์ ตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะรักษาพันธุ์ข้าวโพดของตัวเองเอาไว้ให้มันดีเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยข้าวโพดจากไร่ข้างเคียงด้วยจะเป็นพันธุ์ไม่ดีสุดท้ายข้าวโพดที่ก็ปลูกมันก็จะแย่มันก็จะอาจจะแคระ ก, กรนอาจจะไม่แข็งแรงเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่า ถ้าต้องการจะให้ข้อโพดของตัวเองเนี่ยมันยังดีอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องเผยแพร่ พ, พันของตัวนี้ไปให้ไร่ข้างเคียงด้วยพัน์ของตัวมันจะได้ไม่กลายพันัน น, น, นี้ก็เป็นเหตุผลที่น่าสนใจนะก็คือว่าเราจะประสบความสําเร็จในการปลูกข้อโพดได้นี่ ได้พันดีอย่างดียวไม่พอนะไร่ข้างๆเนี่ยก็ต้องพันดีด้วยถ้าพันไม่ดีสุดท้ายไา่ของตัวเองก็มีปัญหานี่คือเหตผลที่เขานะไม่หวงแหนพันข้โพ่เลยนะแจกนะเา อันนี้ก็เชยว่าเขาเป็นคนฉลาดนะเขาเห็นว่าการที่ช่วยผู้อื่นเนี่ยแบ่งปันเอื้อเฟื้อผู้อื่นเนี่ยสุดท้ายเราเองก็พลอยได้รับประโยชน์ไปด้วยหรือผู้ใหญ่ก็คือว่าถ้าว่าเราอยากจ ะ, ะสุขสบายประสบความสาเร็จก็ต้องพยายามช่วยเหลือ คนอื่นให้เขาได้สุขสบายไปด้วยมันเป็นเรื่องที่ยากจากการไม่ออกนะช่วยคนเราเนี่ยความสุขของคนเราความสาเร็จของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวนะมันต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นด้วยถ้าเราไม่เห็นความจริงข้อนี้เนี่ยเห็นแก่ตัวมากๆเนี่ยไม่คิดจะแบ่งปันช่วยเหลือใครเลยสุดท้ายเราเองก็ไปไม่รอด ที่ประเทศจีนนะมันมีหมู่บ้านหนึ่งนะเป็นหมู่บ้านใหญ่ชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวสวนปลูกต้นพลับต้นพลับนี่ก็พันดีด้วยมีชื่อปกติเนี่ยเวลาใกล้ถึงหน้าหนาวเนี่ยชาวบ้านก็จะเก็บลูกพลับเนี่ย จนหมดเลยไม่เหลือคาต้นเลยนะเพราะว่าแต่ละลูกแต่ละลูกที่ราคามันดีแต่มีปีหนึ่งนะพอถึงหน้าหนาวมันหนาวมากมันหนาวมากจงรทั่งนกกังเขเนี่ยซึ่งอาศัยอยู่แถวนั้นเนี่ยไม่มีอาหารกินเลยนะ แต่ก่อนก็ยังพอมีผลไม้มีอาหารนะพอให้ได้กินบ้างในช่วงฤดูหนาวแต่ปีนั้นมันหนาวมากจนทั่งนะไม่มีอาหารเหลือให้นกกังเขนเนี่ยได้กินเลยลกกังเขนก็เลยตายหมดเลยตายยกฝูงเลยพอปีถัดมาเนี่ยพอถึงฤดูใบไม้ผลเนี่ยลูกพรับมันก็ต้นพรับก็ค่อยๆออกดอก แล้วก็สุดท้ายก็มีลูกพลับผุดขึ้นมาแต่พรากฏว่ามีหนอนหนอนเนี่ยมันมากินลูกมากินลูกพลับตั้งแต่ลูกพลับเนี่ยยังเล็กๆอยู่เลยขณะเท่าผมแม่โป่งนี่หนอนก็มากินแล้วปกติเนี่ยหนอนจะไม่เยอะมากเพราะอะไรเพราะว่ามันมีนกกังเขเนี่มาคอยกินหนอนแต่นื่องจากนกกังเขเนี่ตายหมดแล้ว หนอนไม่มีศัตรูหนอนก็เลยกินลูกพลับจนไม่เหลือเลยกลายเป็นว่าปีนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่มีลูกพลับขายเอาขาดทุนเงนเรียกว่ามากมายเลยนะชาวบ้านก็เลยนึกถึงนกกังเขนนะว่าถ้านกกังเขนยังอยู่นป่านี้เรามีลูกพลับนี่เ ย, ยอะเยอะแยะแล้ว จะไม่ขาดทุนปลนปีอย่างนี้เพราะนั้นถึงปีต่อไปเนี่ยเวลาเขาปลูกลูกพลับเนี่ยนะเมื่อถึงฤดูกเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะเก็บเกี่ยวไม่หมดก็จะเหลือขาต้นไว้บ้างเพื่ออะไรนะเพื่อเป็นอาหารให้กับนกกังเขนในฤดูหนาวพอถึงฤดูหนาวเนี่ยนะนกกังเขนก็ มีลูกพลับพอประทังชีวิตอยู่ได้มันก็อยู่จนถึงฤดูใบไม้ผลิของปีต่อไปนะเหมือนกับพวกนี้เนี่ยเขาก็มีสํานึกะขอบคุณรู้สึกสํานึกในบุญคุณของชาวสวนถึงเวลาฤดูใบไม้ผลเนี่ยลูกพลับนะออก ออกลูกเนี่ยนะมีลูกพลับเิขึ้นมาเนี่ยนอนเนี่ยมันจะมากินลูกพับก็มีนกกลางเขนใหีม่มาคอยจิกกินนอนลูกพับก็เลยรอดนะแล้วก็เติบโตชาวบ้านนี่ก็มีลูกพลับเนี่ยขายก็ได้เงินมามากมายชาวบ้านก็เลยเรียกเกิดประเพณีเลยนะว่าต่อไปเนี่ย แม้ลูกพรัานี่จะมันจะราคาดีแค่ไหนก็จะไม่เก็บทั้งหมดนะจะเหลือไว้คาต้นมั่งให้เป็นอาหารของนกกังเขนเพราะรู้ว่านกกังเขนเนี่ยนะมีคุณมีประโยชน์นะสามารถจะช่วยชาวสวนเนี่ยนะกินศัตรูของลูกพรับได้ก็คือกินหนอน ให้ความคิดก็เปลี่ยนไปเลยนะทีแรกเนี่ยเห็นแต่ตัวนึกถึงแต่ตัวเองลูกความนี่เก็บหมดเลยไม่เหลือคาต้นเลยแต่สุดท้ายชาวสวนก็เดือดร้อนเมื่อไม่มีนกกลางเขนเอาไว้ช่วยกินหนอนแต่ตอนหลังลก็รู้แล้วนะว่าชีวิตเขาเนี่ยนะมันต้องพึ่งพาอาศัยไม่ใช่แค่ลูกพร้าอย่างเดียวนะต้องพึ่งพาอาศัยนกกลางเขนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จัก นะเพื่อแผ่นกกังเขนบ้างนะเก็บลูกพรับก็เหลือให้นกกังเขนได้กินเป็นอาหารในฤดูหนาวแล้วพอถึงฤดูใบไมนะ้ผลินกกังเขนก็จะมาช่วยชาวสวนทำงานอันนี้แลีลกว่ารู้จักพึ่งพาอาศัยกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยควรจะมีทัศนคติแบบนี้นะคือตระหนักว่า ความสุขของเราเนี่ยมันก็ต้องพึ่งพาใั่ความสุขของผู้อื่นเราจะสุขได้ต้องรู้จักแบ่งปันเผื่อแผ่ให้คนอื่นบ้างนะไม่ใช่ว่าเราจะสุขคนเดียวหรือเราจะดีคนเดียวถ้าคิดแบบนี้เนี่ยต่อไปก็ไปไม่รอดถ้ามองในแง่ในการเผื่อแผ่การแบ่งปันคือการได้หนึง่งเสียคือได้เสียหรือสละ นะเมื่อจะเป็นสลาพันข้อพจหรือว่าสลารูปพรบเนี่ยสุดท้ายก็คือได้อันนี้มันต่างจากความเข้าใจคนทั่วไปนะเสียก็คือขาดทุนนะแต่ว่าในทางจะเรียกว่าในทางธรรมก็ได้การให้ก็คือการได้นะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขยอมได้รับความสุขนะเดยอพ่อพถ้าให้นะอย่างฉลาดนะ ความสุขที่ให้กับผู้อื่นสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาที่เราแต่ดีนี้ทุกครัเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าใจความจริงตรงนี้นะเวลาเราได้ประโยชน์จากอะไรเราก็ตักตวงผลประโยชน์จนแทบไม่เหลือเลยอย่างชาวบ้านตะกอนเนี่ยเวลาจะเก็บหน่อไม้เนี่ยนะ เขาก็จะเก็บพอประมาณเหลือไว้บ้างเหลือหน่อไม้ไว้บ้างเพื่อให้มันโตเป็นต้นไผนะ่และปีต่อไปก็จะมีหน่อไม้กินอาจจะเป็นการเหลือให้คนอื่นก็ได้ไม่ได้เก็บกินหมดนะเหลือให้คนอื่นเหลือให้ธรรมชาตินะก็ทำให้มีกินนะไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่ายังยืน แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอเก็บเนี่ยเวลาเก็บที่เก็บหมดเลยบางทีหนอนี่ยังอ่อนๆ อ, อ, อยู่เลยยังไม่ได้ที่ก็ตัดซะก่อนเพราะกลัวคนอื่นจะมาแย่งนะกันคนอื่นด้วยซ้ำนะสุดท้ายก็ไม่มีหนอไม้เหลือให้ได้เก็บกินนะอันนี้ทำบอนกว้างไปนี่ก็รวมไปถึงเรื่องของการทำลายธรรมชาติเลยนะเดี๋ยวนี้เราก็ได้ประโยชน์จากธรรมชาติเยอะ แต่พอได้ไประโยชน์แล้วนี่ก็เรียกว่าเก็บเกี่ยวอย่างเดียวเลยตรงัางธรรมชาตินี่อยู่ไม่ได้ป่าถูกทาลายสัตว์ก็สูญพันธะุ์แม่น้ําก็เน่าเสียนะเพราะว่าเห็นแค่ตัวคํานึงถึงแต่ประโยชน์เฉพาะหน้านะไม่นึกถึงคนอื่นไม่นึกถึงธรรมชาติไม่นึกถึงสัตว์อื่น สุดท้ายตัวเองก็เดือดร้อนนะอย่างตอนนี้มนุษย์เรานี่เราทำลายธรรมชาติจนกระทั่งเรียกว่าปนปีแล้วเพราะว่าสนใจแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าไม่คิดที่จะสละไม่คิดจะเผื่อแผ่ไม่คิดจะแบ่งปันให้กับชีวิตอื่นที่เกี่ยวข้องนะสุดท้ายตอนนี้ก็กำลังเจอวิกฤตและนะ้วไม่ว่าจะเป็นมลภาวะไม่ว่าจะเป็นการสูญหายของ ชนิดพันธุ์หรือการสูญพันธุ์ของสัตว์ต่างๆความหลากหลายทางเชีวภาพก็กําลังจะหมดไปและถามเจอปรากฏการณ์โลกร้อนซึ่งตอนนี้เขาว่าไม่ใช่ว่าโลกร้อนแล้วเขาเรียกว่าโลกดือดนะก็กาลังกำลังรับกรรมกันนะเพราะการที่เราเห็นแก่ตัวจนไม่คิดถึงคนอื่นหรือว่าไม่คิดถึงธรรมชาติอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะเราคิดสั้นนะเพราะไม่รู้จักการเผื่อแผ่ไม่รู้จักการแบ่งปัน ไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับชีวิตอื่นและธรรมชาติที่อยู่รอบข้าง